สุดที่กะวิโมกสุญญตะวิโมกอานิมิตะวิโมกและอัปะนิหิตาวิโมก207ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสู่สุญญตะวิโมกแล้วด้วยอาการสมอย่างข้าพเจ้าเข้าอานิมิตะวิโมกอัปะนิหิตะวิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนหิตะวิโมกข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนาหิตะวิโมกให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก